ในเทศที่เราจะต้องฟังแต่หลวงพ่อเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับคราวก่อนหลวงพ่อแนะนําเรื่องสมาธิและปัญญาพอมาที่สองหลวงพ่อมาพูดเรื่องทานนะฮะเรื่องทานอันในสงแห่งการทําทานเป็นยังไงแต่วันนี้หลวงพ่อจะขอพูดเรื่องศินนะเออสินเออสินคุ้มครองศิน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 สีเลนะสุกติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะสินสีเลนะโพก็สัมปทาผู้ที่จะมีโพคะสมบัติมากมายล่ำรวยโชคดีได้เพราะสินสีเลนะนิพุติิงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้เพราะสินนี่แหละให้พวกเราอย่ามองข้ามเรื่องสินของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้คือกฎระเบียบวินัยเนี่ย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 ถือเงินและทองติดตัวไปอันตรายทำให้โจนผู้ร้ายเขาฆ่าพระค่าเนได้นี่พระาพูดธเจ้ากระบัญญัติินว่าห้ามมาให้สมณะเนรมีเงินและทองสินข้อที่สิบของสมณะเนรแต่สินข้อที่เก้าลงมาเหมือนกับสินอุบาสกอุบาสิกาที่รักษาสินแต่สินเราจะแยกออกมาอีก สินห้าเนะี่ยตั้งแต่ห้าข้อลงมาเนะี่ยเป็นสินที่คุ้มครองโลกเป็นสินที่ควรจะประพฤติปฏิบัตเิเป็นข้อห้ามอย่าทำถ้าทำไปแล้วไม่เป็นมงคลถ้าทำไปแล้วเดือดร้อนทั้งทั้งเขาด้วยทั้งเราด้วยเดือดร้อนแต่สินข้อที่หที่เจ็ดที่แปดที่เกนะ้าที่เดที่แปดเป็นศีลที่ว่าคัดเกลา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 ต้องพิจารณาเนพเพราะพระเดชจ้าวท่านมองให้ท ะ, ะลุนะทะลุปูโป่งไปจนถึงขั้นชีวิตของพวกเราจะหาไม่แต่ว่าสินห้าเนี่ยเขาเราเขาเรานะ่เขาเราเราเขาเนะคือเขาเราอย่างไงก็คืออย่างข้อที่1ึงสำหรับสินคราวาตญาติโยมอย่างอุบาสกอุบาสิกาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสินข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต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 พอดื่มเขาดื่มสุราเข้าไปเท่านั้นแ่ะเหมือนกับล้างคาล้วนเลยถแดดลงมาฝนลงมามันล่วนลงพื้นหมดเสียหายหมดสินข้อที่1กระจุยข้อที่สองที่สามที่สี่ขาดกระจุยไปหมดเพราะแหละคนขาดชแชตินี่แหละสินข้อที่ห้าเป็นสินที่สมสควรจะสำรวมระวัง แ, แล้วก็ข้อที่หกวิกาลโปรเราจะไม่ทานอาหารในเวลาวิกาลอันนี้คือ เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสทีนี่ถ้าคนทานอาหารติดในรถอาหารไปที่ไหนไม่ได้เพราะอไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้นะั่นไปไม่ได้ติดในรถอาหารพวกท่านเจ้าอ๋อถ้าตัวเองป่วยตายเข้าไปล่ะจะกินได้ไหมต้องงดดูสิทดลองงดดูสิออย่าไปส่งเสริมลิ้นเกินไปตัดออกออย่าไปอย่าไป ทานอาหารมันติดรถติดลิ้นพระเจ้าท่านสอนคร่าเป็นเครื่องขัดเกลาลได้ท่านหนงให้ให้ให้ดูตัวเองเออวิกา ร, รลาโพนจากนั้นก็นัจกจัดขี่จะฟังเสียงร้องรำทําเพลงบางคนกับไปไม่ได้ติดเสียงละคร จ, จิดเสียงเพลงหมอลำออออพอมาได้ต้องได้ยินได้ฟังซะก่อนออจึงนอนหลับคนนั้นไปที่ไหนไม่ได้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 เอออันนี้คือไม่ให้ติดที่อยู่ที่นอนจนเกินไปบางคนก็ไปไหนไม่ได้เพราติดที่หลับที่นอนนี่พระพุทธเจ้าเอเวลายกคนจะตายแล้วนะอะยัดเข้าไปในหีบลเล็กๆหนาเพียงกว้างเพียงเอศอกเดียวเท่านั้นเองเอเอและก็ น, นอนอยู่ในนั้นออไม่เห็นว่าจะบ่นจะว่าอะไรต้องคิดถึงจุดนั้นบ้างสิเพราะฉะนั้นเราจะไปติดที่หลับที่นอนจนเกินไป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 อันนี้ก็คือสิลของสมณเอกศินของพระในสองรอยี่สิบเจ็ดอันนี้กว้างขวางเลยทนะีเดียวแล้วก็สิลและพิษมาจาร์อีกต่างหากมากมายสรุปแล้วก็คือศิลและวินัยเนี่ยสําหรับให้พระสงฆ์ทั้งหลายถ้าใครก็ตามองค์ไหนก็ตาม อ, อถ้าว่าอยู่ในศินและในวิญัยแล้วเหมือนกับอยู่ในรัว้วรั้วทั้งสองข้างร้อย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 ดันั้นพระสงฆ์ทั้งหลายในค ร, รั้งพุทธกาลท่านจึงให้ความสำคัญเรื่องของศิลรักศิลยิ่งกว่าชีวิตใ น, นคำนี้นะเน่พวกเราคณะทายาติโยมคงอยากจะฟังว่าสมัยไหนคือพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องวิทยนเรื่องศิลข้อนีนะ้คือข้อปานาติบาสนะพระภิกษุไปด้วยกันไปอยู่แม่น้ำฝั่งแม่น้ำอเจรวดี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 ยังไงยังไงขอที่มรมาฉันที่บ้านแต่นี้ก็พระเถระท่านก็ไปวินทบัดเสร็จแล้วถึงก็มาฉันพอโปรดเขาโปรดรสองผัวเมียนะมาโปรดที่บ้านบางทีก็มาฉันที่บ้านบางทีก็ไปวินทบัดที่อื่นพอได้อาหารมาก็มาฉันที่บ้านเขาสองผัวเมียแล้วก็ป น, นิบัติด้วยความเคารพ บ, บูชาอย่างยิ่ง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 ทำอาหารอยู่ในกลมเลือด ม, มือมันเปืเ้อนเลือดเออมันมือมันเปืเ้อนเลือดเออเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าได้ช่างพระเจ้าแผ่นดินเอ า, เอาได้นำแก้วให้ท่านมาเจรไ น, นนี่รูปลักษณะอย่างนี้นะนายช่างแก้วนะครับครับปับครับครับเออเสร็จนล้วก็เอาเอามือที่เปื้อนเลือดน่ะนะไปรับแก้วไ ป, ไปรับแก้วจาก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 ในช่างช่างใครคราอนี้เดี๋ยวไปดูสิว่านกนกมันตายไหมเอ่ในช่างแก้วคนลังโมโหจ่งไม่ท้องว่านกตายแล้วท่านก็จะตายเหมือนกันนะถ้าท่านไม่บอกว่าไปที่ไหนท่านเอาขมโมยแก้วไปใช่ไหมเอ่ทางพาเทระเอ้ยอยาย า, ย า, ย า, ยายเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูซะก่อนเพราะพาะเทระท่านหมดกิเลสแล้วใช่ไหมท่านไม่มีอความโกรธแล้วใช่ไหมทำอย่างนี้ ท, นงงท่านก็ไม่โกรธใช่ไหม ถ้าท่านจะตายท่านก็นไม่โกรธเพราะท่านหมดกิเลสแล้กิเลสราคะโทสะหมดออกหมดออกจากใจของพระหรหันแล้วเนี่ยไปดูยมโยมไปดูดูก่อนดูซิเอาคายคาออกก่อนเขาก็เลยคลายในช่างแก้วก็เลยคลายฉนอออกจากหัวท่านแต่ที่หัวท่านก็แตกไลยเยพระเทล่ก็เลยจัดจะาโอ้ตายจริงๆริงใจจริงพระเทล่ก็บอกว่าโยมนี่แหละอาตมานั่งอยู่นี่นะโยมนะ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 เนียังค่อยเอาเพชตรต้นนี้เพราะเพชรมันอยู่ในนี้แหละอยู่ในท้องนกตัวนี้ละเอีหลวงพ่อว่ามันคงไม่ตายเพราะมันกินกินยาถ่ายใช่ไหมละ่ะเออให้มันกินยาถ่ายมันคงไม่ตายเออเมื่อมันถ่ายออกมาแล้วเรายังค่อยเนียังค่อยเอาเพชรเนี่เม็ด น, นั้นเะี่ยถ้าเป็นหลวงพ่อนะ่ยหลวงพ่อจะคิดว่าน่าจะใช้อย่างนั้นแต่พระเทเรศท่านคงคิดไม่ออกนะในช่วงนั้นนะเอะอเพราะมันชกล๊อกหกนะ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 อตั้งหกตั้งใจมีทานมีศีลมีภาวนาเรื่องภาวนาในสําคัญมากในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพนั้นพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสาเหตุพุทธศาสนาคืออะไรคือพระพุทธเจ้าไปภาวนาอที่โคนต้นโพนั่งสมาธิจากนั้นได้สําเร็จได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ